จะก้าวหน้าจะได้ผลจะเข้าใจก็อยู่ที่การยานมิตรส่วนเป็นเรื่องสําคัญใหพระอาจารย์ได้สรุปหน้าที่ของการยานมิตรไวนะ้11อย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะยเมื่อวานหลวงพ่อท่านบอกแล้วว่าการยานมิตรเกิดหนึ่งให้ สุดตะมยะปัญญาให้ได้ฟังให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเพื่อเกิดจินตามมยปัญญาแลวก็เข้าไปสู่ภาวนามยะปัญญาเน่ว่าพระอาจารย์เนี่ยมาสรุปว่าการยานามิตรคือผู้ทาหน้าที่สิบอดอย่างตัวแรกก็คือส1บอดสองพูดกันง่ายๆสอง ตัวแรกคือสะดับช่วยให้ได้สะดับสะดับนี่นก็จริงเป็นภาษาเขมรภาษาไทยก็มาใช้ประาชจาศัพั์สะดับก็คือสะดับฟังนั่นแหละให้ได้ฟังให้ได้ฟังให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้เข้าใจในวิธีการเทคนิคหลักการ นั้นตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่สาคัญมากนั้นอย่างหลวงพ่อท่านจะเมตตาพิเศษในการที่จะคอยแนะนำคอยบอกคอยชี้แจงปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ได้ได้รู้ได้เข้าใจตัวสดับตัวแรกช่วยให้ได้สดับพอสองช่วยสะ ก, กิดนะคอยส ก, กิด เวลาเราเผลอนะส ก, กิดจิตที่ใจนะส ก, กิดให้ได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้สติยคนะอยคอยไ ม, ไม่ไม่ทิ้งไปไหนจะอยูนะ่โดยหลักการของหลวงพ่อเทียนแล้วเนี่ยดึกดื่นแค่ไหนก็ตามถ้ามีลูกศิษย์ติดขัดมันจะไปเลยนะแล้ว <c oughs> ตลอดระยะเวลา ที่หพ่อเาษกในการอบรมลูกศิษย์ก็ตามท่านจะไม่เคยไปไหนเคยจะร่วมปฏิบัติอยู่ด้วยคอยสังเกตก็คือคอยส ก, กิดเนี่ยมาทางจับเลอขึ้นมาก็ส ก, กิดคอยส ก, กิดตัวที่ถามเนี่ยคอยสะ ก, กดสำคัญเหมือนกันนะสะ ก, กดเตไม่ใช่สะ ก, กดจิตนะสะ ก, กด สกดช่วยให้เราไม่ฟุง้งซ่านนะสกดอารมณ์ไว้ช่วยให้วิธีการเพื่อความฟุง้งซ่านเพราะว่าเวลาปฏิบัติใหม่ๆสองสามวันแรกก็จะฟุง้งซ่านจะมีอาการโน่นนี่นั่นก็ช่วยสกดไว้สกดให้สกดด่างกายทางใจ อยู่ในอาการตัวต่อมาตัวที่สี่คือช่วยสกัดสกัดสกัดบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอุปนิสัยเดิมที่ท่านพิจารณาแล้วน่าจะเอาออกก็สกัดออกมันสกัดสนิมจะใช้คำพูดใช้วิธีการอุปทานอะไรที่เราเคยมี ครู อ, อาจารย์ก็คอยสกัดสกัดไม่ให้หลงทางด้วยในตัวหนึ่งไม่ให้หลงไปให้ถูกทางเพราะมีโอกาสที่จะหลงได้ง่ายตทอมาก็เป็นผลช่วยให้สะอาดให้สะอาดในใจสะอาดขึ้นนะใจสะอาดขึ้นที่มันมีความเศร้าหมองมีความสกปรปกช่วย ปรับใจให้สะอาดช่วยให้สงบนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญช่วยเป็นตัวช่วยให้เรามีความสงบขึ้นสงบสงบรู้นะเพราะว่าวิปัสสนานี่ไม่ได้สงบสงบมีสองอย่างสงบนิ่งกับสงบรู้สงบนิ่งก็คือไม่รับรู้อะไรเลยแต่สงบรู้เนี่ยสงบเรียกว่าสงบเหมือนกันว่า สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่รู้ในอาการอันสงบแล้วก็ช่วยให้สว่างถ้าได้ให้สว่างสวยัยเข้าใจได้เห็นเ้าสว่างไม่สว่างก็ต้องมาดูที่ว่าอ๋อเนี่ยตัวออออมันเป็นอย่างนี้เองตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนั้นเป็นอย่างนั้นสภาวะอย่างนั้น ตัวนี้เป็นเป็นสว่างได้เห็นนามหเห็นรูปอช่วยให้สะดวกต่อการปฏิบัติสะดวกนี่สําสคัญ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สะดวกเรื่องการกินการอยู่การนั่งการนอนนะเราะนั้นเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผู้ดูแลแต่ว่าช่วยปรับให้การปฏิบัติได้สะดวกขึ้นสะดวกต่อการปฏิบัติสะดวก ง่ายง่ายสะดวกว่าทํำยังไงปรับยังไงจะได้บาทีมันความใหม่มันทําให้ไม่สะดวกเท่าที่ควรในวิธีการการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยจะต้องได้รับคําแนะนำอาจจะต้องยกอย่างไรช่วงไหนควรช้าช่วงไหนควรเร็วนะสะดวกช่วยให้สบาย จะมีวิธีการปรับยินซีปรับในส่วนของทาาขันการออกกำลังกายเจิญสติออกกำลังกายช่วยให้ได้ดูให้เขาว่าเราควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายบริหารร่างกายก็ปรับมาให้สบายขึ้น เพราะว่าปฏิบัติภัยมันมันเมื่อยมันหนักมันเพลียมันเบือ่อมันเซ็งเป็นกันทุกคนปฏิบัติจนไม่อยากที่จะปฏิบัติแล้วเลิกแล้วไม่เอาล้วจบชาตินี้พอไหมโยมเว <c oughs> ียนห่หยตายเกิดเลยนะ่ะมันหมดแต่ว่านก็ต้องปรับไปให้สบายขึ้นสบายขึ้นง่ายขึ้นนะแล้วก็ช่วยให้มีความสุข สุขในการปฏิบัตนะิไม่ทุกปฏิบัติแบบสุขไม่ใช่ปฏิบัติแบบทุกอืที่ทุกจริงจริงบางคนทุกเนี่ยทุกเนี่ตัวตั ว, ต, ว, ต, วตัวทุกข์เนี่ยคนจึงมาปฏิบัติบ้บางสามวันก็ไม่ไหวกลับสี่วันก็ไม่ไหวกลับไม่ไหวทุกทุกแต่บางคนช่วยให้ให้เกิดความสุขได้สําคัญตัวสุดท้าย ตัวสังข์สัดนี้หมายถึงความวิเวกช่วยใ ห, ใ, หให้ก่ายวิเวกด้วยจิตดวิเวกด้วยคอยดูแลนี่คือหน้าที่ของกาลยาณมิตรที่จะต้องทําเรามีหน้าที่เดียวก็คือตามตามท่านท่านว่ายังไงก็ต้องว่าตามในการปฏิบัติที่ไม่ได้ผล เป็นตัวสำคัญหรือไม่ได้ผลก็คือความเห็นท่านได้บอกแล้วเรื่องความเห็นที่เราเอาความเห็นเรามาใส่น่าจะอย่างนี่น่าจะยังงั้นน่าจะต้องทำอย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติเราทิ้งความเห็นเลยทิ้งความเห็นของเราวางความเห็นความรู้ ที่ได้อ่านมาเรียนมาศึกษามาฟังมาท่านต้องให้วางไว้ก่อนแน่นหลักของผู้ปฏิบัติในสำคัญมากนะนะทีแปลกครูบาอาจารย์สายนูน้นสายนี่มาเถียงเอ๊ะทำไมไม่เหมือนสายนั่นทำไมไม่เหมือนสายนี้ทำไมไม่เหมือนที่เราอ่านมาทิฏฐิตัวนี้ก็หมายถึงความรู้ตามตำราด้วย ควารู้ทามตำราที่เราอ่านมาบางคนอ่านมามากนะต้องวางให้ได้ต้องทิ้งให้ได้ทันหาตัวความอยากอยากให้ได้ผลเมื่อไรจะได้ผลเมื่อไรจะได้เห็นรูปเห็นนามบรรยากาไปในอนาคตเพราะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยต้องเอา ต้องหมดอนาคตไม่มีอนาคตอยู่ปัจจุบันทันหามานะยึดมั่นนะตัวมานะตัวนี้นะจะเป็นผู้ที่จะทำลายมานะได้ก็ต้องขันอนณาคามีนั่นเป็นมานะขั้นสูงแต่ว่ามานะขั้นต่ำนั่ยก็คือทิมานะความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของตนอืมนะเป็นหั่น นั่นก็ให้สงัดจากตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ที่อันตรายในช่วงปฏิบัตินี่จะมีมารมารห้าตัวนะเล่นงานเรามารจะเจอจเจอกันทุกคนนะมารตัวแรกเรียกวกิเลสมารกิเลสมารกิเลสมารนี่มีสามตัว โลภโทสโมหะโลภคืออะไรคืออยากได้ดางใจอยากอยากทำตามใจตัวเองอยากทำอยากไปนอนนอนให้อิ่มก่อนก็มาปฏิบัติอยากกินนั้นอยากกินอยากได้ดังใจทุกอย่างเร็วมากนะโทสัตโทสั พอตัวแรกโทล่พระอยากได้ดังใจตัวสองคือไม่ได้ดังใจไอสองตัวเนี่ร้ายมากร้ายมากไม่ได้ดังใจมันมันจะมาคู่กันโล่พระโทสะเป็นพี่น้องกันก็ไม่ได้ดังใจก็ไม่ได้ดังใจอยากได้ดังใจแล้วไม่ได้ดังใจอยากได้ดังใจก็คือโล่พระไม่ได้ดังใจก็คือโสทสะ เป็นพี่น้องกัน <c oughs> นาความทุกข์มาให้ทันเพอาะนั้นก็โมหะคือตัวไหนโมหะคือตัวคอยสนับสนุนในสองตัวเนี่ยตัวคอยให้เหตุให้ผลถ้าโลภะเกิดมาโมหะ ก, ก็มายืนรออธิบายว่าเออมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่าง น, น, น, องอางนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ โทสะ ข, ขึ้นมามันก็มาร่วมแจมให้เหตุให้ผลสนับสนุนโทสะเหมือนกันนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันตัวแรกนั่นมาเป็นมานเป็นตัวทําลายสติทําลายสติทําลายการเจริญสติทําลายความรู้สึกตัวของเรามานแปลว่าตัวทําลายความรู้สึกตัวทําลายสติสัมปชัญญะเราให้หมดไป ตัวที่สองกิเลสสมานขันธามานว่าด้วยเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพกายทีมันก็มีโรคบ้างแต่ว่าไม่เป็นปัญหาอย่างแม่ตู้ปกติท่านจะมาพอทราบว่าประชานมาท่านจะม า, า, ะมาอยู่ใครนู่นห้าหกชั่วโมงแต่ปีนี้ท่าน <c oughs> มาไม่ได้ เราคงรอเดือนเม ษ, ษาซึ่งจะเป็นคอร์สเต็มเดือนของหลวงพ่อซึ่งได้ถวายให้ท่านเดือนหนึ่งเดือนในการสอนในการปฏิบัตินะทำ <c oughs> รูปแบบก็คงจะมาในช่วงนั้นไอตัวสุขภาพนี่ไหมถือว่าไม่เป็นปัญหา แต่ว่าเราเอามาเป็นปัญหาเอามาเป็นปัญหาเอาเอาเรื่องความไม่สบายมาเป็นปัญหาจริงๆไม่เป็นปัญหาทีนี้เราไปล็อกไปว่าเออมันไม่สบายครับไม่อยากปฏิบัติจริงๆนั้นเราไปไปล็อกของเราเองจริงๆยิ่งป่วยยิ่งไม่สบายยิ่งแต่เป็นโอกาสที่ดีดีมากเลย เวลาเราเจ็บเราป่วยเนี่ยถือว่าเหมือนว่าได้บทเรียนได้อุปกรณ์ที่สำคัญที่จะมาช่วยในการปฏิบัติเพราะจะทำให้เห็นชัดต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพใจก็คือสุขภาพขันนะสุขขันธมานคือสุขภาพใจความคิด ทั้งหลายทั้งปวงสัญญาเวทนาสัญญาสังขารยัญญาเนี่ ย, ยนะเป็นสุขภาพใจในในขันธมารแต่จริงๆท่านก็เอาว่าดยเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่อํานวยขันธมารต่อมาก็เป็นปุญญาพิสังขารเป็นการคิดปรุงแต่งในเรื่องความดี ส่งจิตออกนอกแล้วเนี่ยเอาปฏิบัติแล้วก็คิดอยากให้คนนั้นมาปฏิบัติคิดอยากจะทําความดีคิดอยากจะทําน้นคิดอยากจะช่วยหลวงพ่อช่วยวัดช่วยวาใจบุญพูดกันง่ายๆใจบุญมันเกิดคุศลมันเกิดเห็นคุณเห็นค่าตอนนี้มันก็ทํำลายสติเราได้เหมือนกันทิ้งมันไปก่อน ต่อมาเทวปุตตมานนี่ก็เป็นเทวปุตตมานในแตะก่อนเขาก็จะทิภายว่ามีเทพมีเทวดามาขัดขวางแต่ตัวสภาวะจริงๆก็คืออยากตัวอยากอยากเป็นคนดีปฏิบัติแล้วก็อยากไปช่วยทําครัว อยากไปทำนั่นอยากไปทำนี่อืมาปฏิบัติมาใช้สถานที่แล้วน่าจะได้ช่วยทำนั่นช่วยทำนี่นี่แ น, น, นมันตัวนีิรายฟุ้งไปเห็นแม่กลัวอยากไปช่วยทำกลัวช่ว ย, ช, วยช่วยนั่นช่วยนี่ไม่ได้เลยเราก็ต้องเจริญสติ <c oughs> อยู่ในที่ที่เจริญสติว่าพภาระ คิดอยากจะไปกวาดตรงนั้นคิดอยากจะไปกวาดตรงนี้คิดอยากจะไปเช็ดห้องน้ําทํานู่นทํานี่ทํานั่นเป็นเทวด า, เ, าเทวดาชอบทอํานะฮะอยากทความดีอยากจะไปทําความดีก็เลยพลาดการเจริญสติไปตัวสุดท้ายมัดจุกมานให้ตามคัมภีร์นะแบบความตาย พอตายแล้วก็หมดโอกาสแต่เมื่อมาแปลในการภาวนาก็คือตัวไม่พร้อมไม่ยอมพร้อมการที่ไม่ยอมที่จะพร้อมปฏิบัติเหมือนตายแล้วเหมือนคนตายแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนี่เราไม่พร้อมที่จะลงมือปฏิบัตินะไม่ไม่มีความรู้สึกที่จะพร้อม ไอ้นคนลงมือปฏิบัติ <c oughs> นั้นเป็นเรื่องที่ให้เรารู้จักมันตัวนี้ไว้ให้รู้มันว่าเออเนี่ยเป็นเรื่องของตัวทำลายสติเราทั้งนั้นเลยนะทำลายสติก็รูเพราะนั้นในช่วงที่อยู่ปฏิบัตินี้ก็ให้ทิ้งวันเวลาจะให้มีว่าทำมาได้กี่วันแล้ว ทำ ม, มาได้อีกกี่วันเราจะเสร็จแ่ให้ทิ้งไปก่อนวางไว้ก่อนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในเวลาเข้ามาปฏิบัติในมาปฏิบัติในเวลาก็ามาฟังมาปฏิบัติไปแค่นั้นแหะหน้าที่ของเรานี่แค่นั้นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็ทําเป็นหน้าที่การยาณมิตรการยาณมิตร ทีนี้ <c oughs> เข้ามาสู่เรื่องของการเจริญสตนะิโดยส่วนตัวก็เกิดทันแต่ว่าไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนมาได้รู้จักหลวงพ่อคําเขียนในศึกษากับท่านและก็ได้ฟังถามท่านในเกี่ยวกับการยกมือสร้างจังหวะ <c oughs> สร้างจังหวะจากหลวงพ่อคําเขียน เพราะฟังหลวงพ่อเทียนไม่เข้าใจฟังยังไงก็ไม่เข้าใจฟังไปก็เกิดปฏิคะไม่เข้าใจ <c oughs> เพราะว่าคำสอนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะแปลอีกอย่างนึงที่เราเคยเรียนมาเน่ตัวตัวการยึดในตําราเนี่ยอันตราย เพราะภาษาของพุทธเจ้าเนี่ยคาหนึ่งเนี่ยมันแปลได้เป็นเป็นเป็นหมื่นหมือนคาคาเดียวั้นภาษาบาลีจึงเป็นภาษาที่สรุปทีนี่ต่างคนต่างแปลไป <c oughs> แล้วก็ทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาอุปมาเหมือนว่า ชีวิตเราเคยเดินทางเส้นนี้มาตลอดจากนี้ไปตรงนี้ถึงตรงนี้จากนี้ไปนะอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่นะเราก็รู้สึกเอ๊ะก็ฉันก็เดินทางนี้มาตลอดว่าไม่ใช่ได้ดังเงนะเหมือนนั้นนันเป็นทิฏฐินะ นันเหมือนกันในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องทานอาหารทานอาหารเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยทุกคนก็ทานข้าวขอนทานกับข้าวขอนแล้วก็ทานของหวานที่หลังก็เราก็ทํามาอย่างนั้นทำมาอย่างนั้ น, น, ย, น, นยุควันยุคปัจจุบันนี่มีผู้รู้ทางเรื่องอาหาร มาเปลี่ยนใหม่ว่าจะต้องทานของหวานก่อนบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้บางคนก็เชื่อก็เชื่อตามผู้แนะนำนั่น <c oughs> ตัวเชื่อเนี่ยก็จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญเหมือนกันหลวงพ่อบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยปัญญาปัญญ า, ญญาทาให้เกิดศรัทธาที่มั่นคง พอรู้แล้วก็ทําให้เกิดศรัทธาศรัทธาก็ทําให้เกิดปัญญาได้นะเหมือนท่านในคัมภีร์ท่านบอกว่าครูบาจารย์หรือพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาจารย์ก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีเหมือนไงายของภาชนะที่คว่ำคว่ำอยู่ให้ไงานะไงายขึ้นเพื่อที่จะได้รองรับช่วยให้ไงขึ้นนะ กิริยาการหงายนั่นก็คือช่วยให้มีปัญญาเพื่อที่จะยอมรับรับเมล็ดเม็ดฝนได้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังหลวงพ่อเทียนไม่เข้าใจก็สแสวงหาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคือมีปกติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าชอบฟัง ชอบฟังชอบศึกษาทุกแนวทุกหลักการทุกวิธีการของการปฏิบัติเพราะนั้นที่นี่จึงมีหลายหลา ย, หลายครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนะ่กดเดือนเมทั้งเดือนสายอื่นก็ก็มาขอลงนะก็แล้วเพราะว่าแล้วแต่ความชอบของคนนะสาย โอเอนก้าสายไหนก็ตามที่มาขอใช้สถานที่เพราะว่าตัวพอาจารย์เองจะไม่ใช่เป็นผู้สอนจะทำหน้าที่แค่ผู้ดูแลให้ความสะดวกสบายให้อาหารให้ที่พักดูในในส่วนอย่างนแต่ในส่วนการสอนวิธีการก็มาลงนำพาปฏิบัติเราก็ ประกาศเชิญชวนไปเแลาว่าลูกศิษย์แต่ละสายก็ก็มีกันมากนี่ ป, นปัญหาคนก็จะถามเอ้าทำไมมีหลายสายจังมันไม่ตีกันน่ยมันไม่ผิดกันเเพราะมันคนละเดือนกันนะนะเหมือนว่าสายหลวงพ่อเทียนก็มาเดือนนี้จบจบสายอื่นที่เขาชอบกันก็เอามา เป็นที่นี่จึงเป็นแค่สถานที่เป็นแค่สถานที่ไม่ใช่เป็นสำนักในการที่จะสอนวิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่เป็นที่ที่อำนวยความสะดวกแค่นั้นเพราะนั้นเวลาคนมาถามว่านะนะ พระอาจารย์ช่วยสอนกรรมฐานหน่อยถ้าปกติในกรรสาที่ผ่านมาก็จะให้คุณมริษาเป็นการแนะนำญาติโยมนำพาญาติโยมปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อเทียนเพราะว่าพระอาจารย์งยังไม่มีลูกศิษยนะ์แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดที่จะมีลูกศิษย์แต่ว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่ อำนวยความสะดวกในแต่ละครูบาอาจารย์ที่ท่านเพราะมีความเชื่อว่าครูบาอาจารย์เท่านั้นที่จะนำพาแต่ละคนถามว่าสายไหนถูกดีที่สุดก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะดีจะใช้คำตอบตลอดมาว่าก็ดีทุกสายแล้วแต่เราจะ ปฏิบัติตามสายนั้นด้วยหล่าทำสายไหนก็ต้องได้ผลได้ผลผลได้ผลมากผลน้อยก็แล้วแต่สายนั้นนั่นคือจึงไม่ได้สรุปแต่ขอให้มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติสายไหนสายหนึ่งให้จริงจังตามสายนั้นๆสายนั้นนน ฉังนั้นเมื่อเราทุ่มเทกับสายไหนก็ต้องได้ผลบางทีบางเชื่อบางยมบางสายการปฏิบัติอาจจะปฏิบัติมาหลายอย่างหลวงพ่อเรธิ์ท่านก็บอกไว้ว่าปฏิบัติมาแต่ว่ามาถูกปากถูกลิ้นกับหลวงพ่อเทียนมาจบเขาเรียกว่ามาจบจบที่หลวงพ่อเทียน การปฏิบัติที่ยังไม่ได้ผลก็จ ะ, จะไม่จบบางคนอาจจะไปจบสายโคนก้านะสายยุบหนอพองหนอสายนะดูจิตอะไรเขาอาจจะไปจบตรงนั้นเพราะเขาไปสรุปแล้วว่าเออเาจบตรงนี้จบแอย่างหลวงพ่อท่านก็จ บ, กบวิธีการของหลวงพ่อเทียน ที่จบเพราะอะไรเขเพราะท่านลงมือปฏิบัติถึงสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีจนได้รับคาตอบว่าใช่ในแล้วท่วานก็มานำพาปฏิบัติญาตโยมท่า น, นบอกแล้วว่าเมื่อวานว่าวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยยากคนจะไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยยอมรับเลยเอาเป็นว่าวัด ที่หลวงพ่อไปเปิดสอนคำมฐานให้หลวงพ่อเปิดแค่ครั้งเดียวกันนั้นครั้งที่สองไม่ให้อีกแล้วรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เพ <c oughs> ราะนั้นอย่างที่นี่เนี่ยพระอาจารย์จะถึงแม้นว่าความพร้อมไม่มีความพร้อมเอาความไม่สะดวกในขันท์สถที่แต่ว่าอย่างน้อย ได้ได้มาเติมเชื่อคนสองคนสามคนก็ยังดียังดีที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำยิ่งคนจะรู้สมมุติว่ามาร้อยคนเนี่ยจริงๆแล้วที่จะพอได้จริงๆก็สามคนสี่คนห้าคนเท่านั้นนหะที่จะได้รู้เหมือนสิทธิ์หลวงพ่อเทียน ม, มีมีไม่ใช่น้อยเนะี่ย สอนมาทั้งชีวิตที่สามารถรู้แล้วก็มาทำงานเผยแพร่รูปแบบของหลวงพ่อเทียนได้ก็มีไม่เยอะมีนับได้พูดกันง่ายๆคือนับได้ส่วนมากเขาแค่รู้แต่ว่าไม่สามารถสอนได้เพราะนั้นจึงบอกว่า จึงผ่านผ่านเรื่องจำนวนคนเดียวก็สุดยอดแล้วสองคนก็ดีมีเพื่อนปฏิบัติสามคนก็ดีมีมากนะเป็นนั่ไอ้เชื้อตัวนี้มันต้องมีมันต้องมีที่เริ่มต้นของสำนักทุกสำนักเริ่มต้นก็คนสองคนเท่านั้นค น, นสองคนเท่านั้น มันก็ค่อยมาค่อยมาค่อยเพราะมันได้ทำไวนะ้พลังพูดถึงพลังก็คืออนุภาพอนุภาพในทางศาสนาเราก็จะใช้คือผลนั่นเองนะคือผลนั่น อ, อย่างร้านอาหารเนี่ยรสอาหารที่ดีนะรสอาหารที่ดีคนกิดกินติดใจแล้วพอมาพูดเป็นภาษาพระภาษาไทยแล้วโอ้รสอร่อยคนก็ไปเล่า แต่ถ้ามาใช้เป็นศัพท์ภาษาบาลีก็โอ้มีอนุภาพอันเดียวกันนะแต่เปลี่ยนภาษาเฉยๆภาษาเฉยๆก็คือรสอาหารร้านนี้อร่อยมีอนุภาพทีนี้เราไปแปลอนุภาพก็หมายถึงพลังที่ลึกลับซับซ้อนที่จะโดนบรรดาลประทานพอนอะไรแต่จริงๆอนุภาพก็คือ คือผลดีนะสมมติว่าโยมได้รับผลนะนะมันก็จะเป็นผลดีเพราะมันไดนะ้คนที่ได้แล้วถึงจะสามารถพูดบอกกล่าวนะเต็มปากเต็มคำได้ว่านะชี้แนะเขาได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ก็คือได้ แค่รู้แค่เข้าใจก็าอาจจะได้แค่แนะนำว่าน่าจะปฏิบัติอย่างนี้นทำอย่างนี้นั้นวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยต้องต้องใช้ความเพียรสูงอย่างท่านเช่นั้นทำไม่อยู่ตอนนี้อยู่อินเดียท่านจะโอ้ปฏิบัติได้ทั้งวัน ทั้งวันเลยก็ว่าได้ยกมือครั้งหนึ่งก็สชั่วโมงเดินกี่โมงนเพื่อท่านจะปฏิบัติมากก็พยายามให้ท่านได้สอนญาติโยมเหมือนกันพยายามเพราะว่าวิธีการสอนนี่ถ้าไม่ได้ลงมือสอนก็จะไม่รู้วิธีในเทคนิค ได้ฟังได้คำตอบใช่ฉะ น, นั้นไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากในการปฏิบัตินะัก็คือวางทุกอย่างทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ทำตามครูบาอาจารย์แค่นั้นแค่นั้นจริงๆนะแค่นั้นจริงๆนะสรุปแล้วก็คือแค่นั้นจริงๆนะมีข้อเดียว ก็คือหลวงพ่อท่านว่าอะไรให้ทำยังไงก็ทำตามไปทำตามไปน้วก็วิธีการแก้อารมณ์ต่างๆท่านก็จะปรับแก้ไปตามอินทรีย์ของแต่ละคนฐานของแต่ละคนเพราะว่าฐานได้ต่างกันนั้นสรุป การปฏิบัติก็คือแค่นั้นคือหลวงพ่อว่าไงก็าทาตามทำตามแล้วก็ข้อสองเมื่อมีการสงสัยเกิดขึ้นนะต้องถามต้องถามต้องถามถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจ แล้ววิธีการยกมือนั้นน ะ, นะก็มีรายละเอียดมากมายเหมือนกั น, นถ้าจะว่ามากก็มากบางทีไปเพ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านจะพูดเป็นศัพท์มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่งจ้องต้องตั้งจะพูดกันทั่วไป เพ่งก็คืออะไรยกมือก็เพ่งอยู่ยงั้นเพง่งเพง่งเพ่งที่มือนะ่ยเพ่งที่มือนะเพ่งที่มือพลิกกัเพ่งเน่ยเป็นอารมณ์ท่านบอกว่าเป็นอารมณ์สัมมัตถะ เ, เพง็งจ้องก็จ้องดูนะ่ยจดจอ่อต้องต้องก็คือต้อง ต้องได้อย่างนี้เบมือต้องตั้งให้ตรงยกเนี่ยตั้งก็คือมุ่งหวังตั้งอยากได้อยากให้มันเห็นนามรูปอะไรเร็วๆเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ธรรมชาติผิดธรรมชาติก็คืออารมณ์เราไว้มุ่งหวังตั้งไว้มากเกินไปนั่นก็คือรู้สึกตัว นั้นถ้าเราเข้าใจคำหนึ่งสรุปคำสอนของหลวงพ่อเทียนสรุปอยู่ที่คำเดียวหลวงพ่อเทียนบอกว่าหู้ซื่อๆรู้ซื่อๆให้รู้เฉยๆโอครู้เฉยๆไม่เข้าไปที่ตัวรู้นะก็คือรู้เฉยๆแค่นั้น ปัญหาคือเราไม่สามารถรู้เฉยๆได้นะไม่ได้รู้เฉยๆรู้เฉยๆทำเล่นๆท่นจะบอกว่าทำเล่นๆนะรู้เฉยๆท่า <c oughs> น, นพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าเพราะพระองค์ไม่เพียรและก็ไม่พัก ไม่เลิกเพีย่ยนไม่เลิกที่จะทำความเปลี่ยนแล้วก็ไม่พักความเพีย่ยนก็คือพยายามรู้เฉยเฉยไปอย่าไปมีอะไรทั้งสิ้นหน้าที่ของเราก็คือรู้เฉยเฉยเนี่ยไอเมื่อเรามาถึงมายืนอยู่ที่ประตูรู้เฉยเฉยนั่นแหละเราจะได้รู้จริงเห็นจริง ทีนี้ถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถไปยืนอยู่ที่ประตูเฉยๆได้จบเลยเฉยๆอันรู้ซื่อเนี่คือคําสรุปคําสอนของหลวงพ่อเทียนที่ท่านสอนมาถามลูกศิษย์ทุกคนถ้าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนก็จะตอบเหมือนกันว่าสรุปคําสอนของหลวงพ่อเทียน มีได้ไม่อยากฟังคําสรุปก็คือให้รู้เฉยๆรู้เฉยๆยกไปยกมือสร้างจังหวะรู้เฉยๆไปรู้เฉยๆไปนะคลิกก็รู้ยกก็รู้อืมแค่นี้แหละถ้าเราทําอย่างนั้นได้เราไม่เอาทิดติมาณะ ความรู้เดิมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพ่งจ้องต้องตั้งอะไรมากมายก็ก็รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยไปแล้วมันรู้ก็จะเป็นรู้เฉยเฉยก็เป็นอุเบกขาหมองไม่ใช่เฉยเมยแต่เฉยมองเฉยเฉยนี้คือเฉยมองดูมันมันหลงก็รู้อมันหลงก็รู้รู้ก็ รู้กว้หลงก็รู้กว้นี่คือเท่าที่ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อเทียนก็สรุปให้ฟังว่าหนึ่งต้องตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจทำตามที่หลวงพ่อสอนพ่อท่านแนะนำอย่าไปกังวลเรื่องอื่นได้เวลาก็ไปทานข้าวทาน ทานแค่ไหนก็ทานแค่พอให้มันหายเพลียหายเหียวพออะไรก็อย่าไปคิดวนะ่าต้องอย่างนู้นต้องอย่างแค่โกยโกยใส่ท้องไปหายเหี่ยวจบแล้วก็มาเจริญสติแค่นั้นเรื่องอย่างอื่นไม่ต้องกังวลอเทวปุตตมานอันตรายมาเครงใจเทวปุตตมาน ตัวหนึ่งก็คือตัวเกรงใจเกงใจสถานที่อย่าให้มีอย่าให้มีความรู้สึกว่านี่วัดมหาชนกนี่วัดมหาประสันนี่อย่าต้องทิ้งให้ได้ให้หมดพวกนี้ความรู้สึกพวกนี้ต้องอย่าเอามาให้รกสมองนะอย่ารันะหน้าที่ของโยมตอนนี้ก็คือหลวงพ่อนำทนาอะไรก็ต้อง ถ้าจะว่าเวลามากก็มากถ้าจะว่าเวลาน้อยก็ น, กน้อยแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ค่าตัวที่เรามาเดินทางมาคุ้มอืมมาคุ้มฉะนั้นก็สรุปมาต้องหลวงพ่อว่าไงว่างี้ยนะระวังมารหน้านะที่หลวงพ่อไม่สามารถช่วยระวังมารเราได้ เราก็พยายามรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันมันคุ้มหมดอยองจะทําบุญก็ได้บุญจะเข้าวัดก็ได้บุญถ้ายังไม่รู้สึกตัวจะไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี้ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยทำบุญก็ทําไปอย่างนั้นนะสวดมนก็สวดไปอย่างนั้น อยู่มีชีวิตในครอบครัวก็ไปอย่างนั้นพอรู้สึกตัวแล้วเราก็จะเห็นความสุขเห็นสิ่งที่ดีงามเข้าใจในชีวิตแล้วก็พัฒนาความรู้สึกตัวให้มากขึ้นมากขึ้นสำคัญจริงจริงสติสตินี่สาคัญมากน ะ, นะสำคัญมากสำคัญมาก ที่เราจะต้องให้มีหลวงพอ่อท่านเน้นว่าไอสติที่เรารู้กันสัญชาติพยาธไม่พอไม่พอไม่พอต้องพัฒนาพัฒนายังจะถามหลวงพ่อให้หลวงพ่อสรุปเหมือนกันเมื่อวานติดตัวที่จะทำให้เกิดสติมีกี่ตัวจะถามแล้วก็จะได้ถวายหลวงพ่อให้สรุป ในเรื่องตัวนี้มันก็คงพูดคุยแค่นี้โมทนานาะดีใจนะที่เราได้มาปฏิบัติทำให้สถานที่นี้มันมีค่าถ้าไม่มีผู้มาภาวนาไม่มีค่าอะไรหมดค่าหมดความหมายที่นี่กหวังเป็นที่ที่นีน่ให้คนได้มาภาวนาเปิดนะเปิดรับทุกคนจะเป็นผู้ชาตินี้ หลพ่อคงไม่ได้บรรลุอะไรหรอกแต่จะขอทาหน้าที่นะเป็นสะพานหินให้คนได้เดินข้ามตากแดดตากฝนนะสักห้าร้อยปีเป็นสะพานหินนะนั่นนะก็คือทาหน้าที่ให้ทุกคนได้เดินข้ามอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งหนึอันทวายเวลาต่อไปพระอาจารย์ได้สรุปว่า ไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่ามันมีมาจากสัญชาตญาณแล้วแต่ว่าไม่พอจะต้องมาพัฒนาสติตัวนี้นพัฒนาทีนี้ทุกอย่างมันต้องมีเหตุฉะนั้นเราจะจะไปรู้ว่าเหตุให้เกิดสติที่สมบูรณ์ได้เนี่ยมันจะต้องมาอย่างไรไปอย่างไร มารันสนาวสาธุความดีที่พระอาจารย์หูาธรรมดิทท่านได้ให้กำลังใจคุณจำได้ว่าคุณลักษณะของกริยามิตรมีเกียนแต่อันนี้คือทัศนะนองท่านสิบเออย่างแต่ว่า คุณสมบัติของกระยามิตรจะมีแค่เจ็ดอย่างนะแต่ว่าอะไรละเอียดก็ค่อยว่ากันทีหลังที่ทั้งประเด็นตรงที่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดสติลักษณะที่ทำให้เกิดสติเป็นอย่างไรนะฉะนั้นในแง่ของภาคปฏิบัติกิรยแบบหนึ่งภาคของปริยัติอีกอย่างหนึ่งภาคของปฏิบัติภาวะที่ทำให้เกิดสติก็คือ ตัวรู้นะรู้มันมีสองรู้รู้แบบไม่รู้อันหนึง่งแล้วก็รู้แบบรู้รู้แบบไม่รู้ยังไง ร, รู้แบบไม่รู้เรียกว่าสันชัดยานสติแบบชัดยานที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยจะทําไว้ ก, ก็ก็รู้จะจับโน่นจับนี่รู้แต่รู้ที่ที่เราจะเอาเรียกว่าสติสันชัดยานแต่ถ้าหากว่ารู้ ที่เรากําลังทําในส่วนที่รู้มาที่ตัวเรานี่สติที่เป็นปัญญายาณถ้ารู้สิ่งที่ข้างสิ่งที่เรากําลังทําเกี่ยวข้องนั่นแหละเป็นสัญญาญาณแต่ถ้าหากว่าดึงตัวรู้กลับมาที่นี่แล้วก็ทําสิ่งนั้นด้วยมันเปลี่ยนเป็นปัญญายาณที่ว่าวิชาวิชาอันนี้ลักษณะที่เป็นรู้สึกแต่ว่าถ้าอิงประยัดหน่อยก็มีอยู่สาม อันแรกก็คือตัวรู้ให้ชัดๆคัชชนตัวคัชฌามิติปัญาชานาติคําว่าปรญชานาติคือจะจับอะไรรู้ให้ชัดๆด้วยจะจับอะไรนี่เกิดสติแหละรู้ชัดๆนี่ที่มาในนั้นนะอันที่สองรู้ให้ทั่วๆอภิกันเตปฏิกันเตสัมปัญชานาการีฉันใช้ว่าสัมปัญชานากาลีคือรู้ทั่วๆนะ โดยเฉพาะในวิธีการที่เรายกมือเนี่ยคือมาในลักษณะรู้ทั่วๆมาในบทสัมปชัญญะข้อที่3ามที่ว่าสัมมินชิตเตปาสาริเตสัมปชานกการีหุติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการยกมือสร้างจังหวะมาจจะแปลอย่างนี้นะถ้ามาในหนังสือนะแต่ในเขาบอกมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู้เข้าแล้วก็เหยียดออก ในภาษาที่เขาแปลคู่เข้าหรือียดออกมาตรงนั้นที่อุ้งโเทียนาแปลเป็นการสร้างจังหวะคือสัมปชานการีอันที่สามท่านใช้คาว่าสภาพกายะปิสังเวริอาสสิสามิติสิกขิต้องศึกษาลักษณะที่ทำให้เกิดสิหนึ่งรู้ชัดชัดสองรู้ทั่วๆ์สามรู้แล้วศึกษาด้วยอะไรเป็นอะไร รู้ชัดชัดเป็นศีลรู้ทั่วทั่วเป็นสมาธิรู้แล้วพิจารณาอะไรเป็นปัญญาในสติตัวเดียวเป็นทั้งศีลเป็นสมาธิปัญญาแต่ให้มันครบนะทีนี้ในภาคปฏิบัติอย่างที่กล่าวเราว่าช่วงระหว่างเหยียบลงไปหนักก็ให้รู้ว่าหนักรู้ให้ชัดนะหนั ก, นกนะเวลายกขึ้นมารู้สึกเบาก็รู้เช่าระเบา แล้วก็เหยียบลงไปหนักใหม่รู้หนักรู้เบาชั ด, ชดเๆเรืยๆสติเขาเกิดเรื่อยๆจะทำอะไรก็มีนะหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนลักษณะคือสิ่งที่จะทาให้เกิดสติคือตัวรู้นะรู้ไม่ว่าจะเป็นถ้ารู้โดยแบบสัญชตาตญาณก็คือรู้ออกไปข้างนอกรู้แบบที่จะให้เป็นสติที่เป็นปรญญาลูกลับเข้ามาข้างในลักษณะแล้วก็สามรู้ คือรู้ชัดๆเรียกว่าประชานาติรู้ทั่วๆสัมปะชะญานากาลีแล้วก็รู้ให้ละเอียดให้ลึกลงไปใช่ว่าสิกติสิกติเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกรู้เบื้องต้นเนี่ยมันยังไปรู้ทั่วรู้ลึกไม่ได้ก็ให้มารู้ชัดๆไว้ก่อนสาหรับคนเริ่มต้นนะให้ใช้กับประชานาติ ราคังวาจิตตังสละราคังจิตตันติปรญชานาติเมื่อจิตชอบก็ให้รู้ชัดๆว่าจิตมันชอบแล้วนะตอเนี้ยจิตมันไม่ชอบอะไรก็ให้รู้ชัดว่าตอนนี้จิตเราไม่ชอบแล้วนะรู้อาการไม่ชอบเป็นยังไงรู้อาการชอบเป็นยังไงแล้วประชานาติแต่ใช้สามคำนี้สติที่ก่ะของมันนะแต่ที่ต้นๆของมรรก็จสองคือวิชาและอวิชาถ้าเป็นวิชาก็จะมีอยู่สามคำนี้แต่ถ้าเป็นอวิชานั้น รู้ออกไปข้างนอกนะรู้แล้วคิดรู้แล้วปรุงรู้แล้วแต่งแต่ว่าสาเหตุที่จะให้เกิดตัวรู้สามตัวนี้มาจากสองแหลง่งหนึ่งต้องมีใจรักมีฉันทะมีศรัทธาสองมีวิริยะคือความเพียร น, นะศรัทธาที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องอีกความเพียรที่ถูกต้องเพียรอย่างไรหนึ่งระหวังอ่า ลักษณะที่เกิดความเพียรระวังว่าอะไรเป็นอะไรอะไรกําลังจะเกิดปัญหาความทุกข์มันจะเกิดตรงไหนให้ระวังไว้สองเมื่อมันลองเต็มที่แล้วมันยังเกิดได้อยู่ก็ให้ละเกิดแล้วแล้วไปให้ละทันทีละเหตุนั้นทันทีอย่างนั่งเนี่ยระวังไม่ให้มันเกิดนั่งลงไปแล้วมันหนักมันปวดขาระวังเท่าไหร่ก็เกิดอยู่ดีใช่ไหมละมันก็เลยกันขยับไปเรื่อยขยับไปดีละดีเพียนเพียนละ 3ทําตัวเฝ้าระวังเนี่ยให้ชัดๆคือตัวพยายามใช้คําว่าตัวพยายามให้ว่ามันจะเกิดต้องตั้งสติเอาไว้ตั้งสติไว้เรื่อยๆมันมันระวังเท่าไหร่มันก็เกิดแน่เพราะตั้งสติไปละทันทีตัวระวังแล้วก็พัฒนาตัวตัวรู้นี้ให้มีกําลังอันที่สี่ก็คือรักษาประคอง อาการรู้เอาไว้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆใ น, นความพินิจต้องใช้กับว่าสังวรอปทานประาปหาอปทานภาวนาประทานอนุรักษณาระทานตามสำของเขาอันนี้เป็นลักษณะที่ให้เกิดสติตามลําดับอย่างนี้ครับพระอาจารย์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ตอนเย็นนี่ขอเพิ่มนิดหนึ่งนะที่เป็นประเด็นปัญหาผู้ ป, ปริบัติถามว่า เออเราทำไมต้องเริ่มที่กายก่อนนะไปเริ่มที่จิตไม่ได้เลยนี่รางกายมันเริ่งง่ายๆนะไม่ยากเลยไปดูจิตเลยได้ไห ม, มเรื่องของกายนี้เราคิดว่ามันง่ายถามว่าจิตมันคิดได้เพราะใครจิตมันคิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีกายนะเพราะนั้นตัวสุไทยและตัวทุกเนี่ยมันเกิดที่กายก่อน เมื่อเราตามสมุทัยเหตุเกิดทุกทางกายไม่ทันนั่นแหละมันจะเป็นสมุทัยให้เกิดขึ้นทางจิตซึ่งเมื่อวันได้กล่าวแล้วว่าตรลักษณ์นี่มันเกิดขึ้นกับรูปกับกายก่อนแต่ถ้าเราตามรู้ตรลักษณ์ทางกายไม่ไม่ทันนั่นแหละมันถึงจะไปเกิดตรลักษณ์ตัวทุกสมุทัยตัวทุกขตัวนั้นก็จะไปเกิดที่จิตด้วยเพราะฉะนั้นจิตที่มันคิดได้จิตภาวะที่มันคิดเนี่ยมันทุกแต่ถ้ามันไม่ทุกมันก็ไม่คิดแต่มันรู้ แทนเลยทําจิตที่มันทุกข์นะี่ให้เป็นจิตรู้ mm hmm. ก็โดยอาศัยมารู้ที่กายก่อนรู้บ่อยๆร่างกายที่มันเคลื่อนมันไหวรู้ไปเรื่อยๆจะโดวยวิธีใดกระดังจะโดยวิธีใดกระดังให้มารู้ตรงนี้ใครจะเริ่มต้นไหนก็ตามนะแล้วส่วนหนึ่งถ้ารู้ก็รู้ชัดๆนะถ้ารู้ชัดทางกายท่านจะประชานาติถ้ารู้ชัดทางจิตท่านจะเรียกว่าวิปัสสติ สเปสังขารานิจาติกยาธาปัญญายาปัสติอ่าปสติโยตถะถ้ทีเราสวดโยตถะถถถวิปัสติเห็นทำเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่แจ้งกห็นให้ชัดชัดเห็นให้แจ่มชัดวิปัสสตินะเห็นให้เห็นชัดชัดถ้ารู้ทางกายให้รู้ชัดชใช้ประชานติถ้ารู้ทางใจรู้ให้ชัดชัดเรียวิปัสสติจริงมาเป็นวิปัสนานี่ มีปัะสสะติเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองก็หลักฐานตามบาลีต้องต้องมันมันล็อกไปหมดอ่ะเราจะแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้เพียงแต่ว่าเรามาทําเข้ามาให้มันในภาคปฏิบัติให้ชัดเท่นั้นเองรู้กันรู้กันไปการมามาเคยถามว่าโยมเวลาโยมเทเสาเนี่ยเอาปูนผสมนามม้าผสมใส่ส่วนแล้วก็เทเลยได้ไหมโดยที่ไม่ต้องมีแบบมันจะเป็นเสาให้ไหมโอไม่ได้สิ ต้องมีแบกบอ่ะทำไมอ่ ะ, อะนั่นแหละตัวประคองที่จะให้ปูนให้ดินให้หินให้น้ํามันแข็งก่อนก็ต้องอาศัยแบบถ้าไม่มีแบบเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้เป็นเสมือนแบบของปูนจิตใจเป็เสมือนปูนที่เราหลังประสงค์นั่นแหละมันเหลวและแบบนั้นแหละจีใจของเราเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันเลยต้องมีตัวกรอบของมันหรือจิตใจเราเหมือนน้ําร่างกายนี้ก็เหมือนขวดต้องมีแบบมีกรอบแต่เมื่อไรเทจนว่า เสามันแข็งแล้วใหยเอาแบบออกนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าฝึกกับร่างกายจนจิตมันจะเข้มแข็งไปเรื่อยๆพอจิตเข้มแข็งแล้วก็ก็เอาแบบออกหมายความว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องกายเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าชํานาญแล้วจิตมันแข็งแล้วถ้าจิตไม่ไม่แข็งมันก็ไปตามเรื่องพวกมันอ่ามันเพราะกายนี่มันบอกอะไรตรงๆเวลามันเจ็บมันบอกตรงๆว่าเจ็บคือมันปวดมันก็บอกตรงๆว่าปวด แต่ใจของเราอ่ะเวลามันปวดมันทีบอกว่าไม่ปวดก็มีเวลามันเจ็บใจบางทมันยิ้มหัวเราะเฉยเลยเพรที่เล่นงานเพื่อนนะเมื่อบางทีมันทําเป็นท่าเป็นโกรธในใจไม่โกรธก็ได้พิจิตร์มันมันสามารถแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราเราตามไม่ทันแต่กายเนี่ยมันมีอะไรมันบอกตรงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกจิตให้มันตรงก่อนอุชุงกะโลติเมทาวีนะจะว่า ผู้มีปัญญาต้องฝึกจิตให้ตรงการฝึกจิตให้ตรงนะปัญญาทางพุทธศาสนาอุชุมกะโรติเมทวีนะผู้มีปัญญาฝึกจิตให้ตรงเหมือนชั้นสอนอุชุ ก, กะโรจะเดชะนังเหมือนช่างสอนดัดลูกศิษ์สอนนั่นฉะนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกจิตให้ตรงได้ก็ต้องมาฝึกกายเพราะกายมันภาวะที่เป็นเป็นแสดงตัวเวทนาที่มันคงที่สมัยที่เรา เกิดใหม่ๆรู้สึกร้อนอย่างไรจนปัจนนี้เราก็ร้อนอย่างนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงร้อนเป็นอย่างอื่นนะแต่ใจมันทําท่ามันร้อนใจมันทําท่าไม่ร้อนก็มีหรือมันเย็นใจมันทำท่าเป็นร้อนข้างนอกก็มีเนยเพราะฉะนั้นเราเราต่างไม่ทันเพราะมันเปลี่ยนไวัแต่กายเนี่ยคงมันจะเปลี่ยนนะคงจะตายนีนแหละสามสิบแปดสิบปีห้าสิบปีตายแต่จิตมันตายทุกขณะคิดมา่อแล้วก็ดับแล้วคิดมาแล้วก็ดับแล้ ร่างกายมันคงไปที่ระดับหนึ่งอะ90ปีร้อยปีบงทีตายก็มีแต่จิตในในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่รู้มันตายกี่ครั้งนับไม่ท้วนเวลามันเกิดอีกครั้งก็นับไม่ท้วนมันเกิดวัยตายไวเพราะงั้นเราจะไปเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งไม่ได้ตามไม่ทันเราต้องมาตามการเกิดดับของกายเนี่ยแค่การเกิดดับของกายทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังตามไม่ค่อยทันเลยแหละภาพดาวันกี่ครั้งหายใจวันกี่หนึ่้มนก็ยังไม่รู้ชัดเลยวันนี้เดินได้กี่ก้าว อยู่ว่าทั้งวันต้องถามพระดิเดินจากสารานี้ไปที่ฐานพ้านี่กี่ก้าวเนี่ยมีใครต้องตอบได้เราไม่ตั้งใจที่จะตามผู้จริงๆไม่ได้ในเรื่องกายเนี่ยเราก็ประ่านไม่ได้เหมือนกันฉะนัะนเราเห็นว่าการเช้ดินสติแบบแบบเคลื่อนไหวมันมันมีทางเลือกอะ่ะที่จะมาชอบมันออกได้หลายทางมันสามารถจับได้เลยแต่ถ้าเป็นล็อกไวจะต้องเอานั้นเอานี่ไปล็กแล้วลการเคลื่อนไหวนี่วิเศษมากๆ แล้วก็ไปพบอ <c> า <oughs> จารย์รเตอร์เลยนะวันโลกปีอามโนธรรมเอ้ยหลวงพ่อเทียนท่านรู้จุดนี้ได้อย่างไงบอกว่าแกไปเรียนในด้านจริวยาทางโตนตะทัสิบสามปียังไม่รู้จุดนี้หลวงพ่อเทียนรู้ได้กลับมารู้อย่างนี้ถ้าเจอหลวงพ่อเทียนก่อนผมไม่ต้องว่ายน้ําข้ามทะเลไปเรียนอยู่มีการท่านสิบสามปีแก ว, ว่านักวิทยาศาสตร์เพิ่งเจอไม่นานนี่ว่าจุดพลังของชีพมันเกิดสามจุดหนึ่งหน้าขาสองหน้าท้อง ต้องเสนอนี่นะสามหน้าอกแต่วิธีการหลวเทียนแต่สามจุดนี้พอดีนะยกมือสร้างยับแต่จุดนี้แล้ว่าแต่หนะ้าท้องก็เลื่อนมันหน้าอกนี่นคือจุดเกิดพลังของชีวิตพลังของการตื่นรู้มันเกิดสมจุดนี้เองนะักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาเพิ่งค้คนพบไม่นานนี้เองแต่หลวเทียนพระที่เจ้าค้นพบมาสองพันกว่าปีแล้วแต่าหลวเทียนท่านนํามาฟื้นฟูนั่ น, นเองอันนี้ดเตอรวันรบที่ที่ทเข้ามาปฏิบัติหลวเทียนแล้วก็เชิญหลวงพ่เทียนไป ตั้งแต่สมัยโน้นสมัยที่มหาลาัยศรีนครินวิโรจเป็นสมบันสมเด็จวิไลสมเด็จเจ้าพระยานะะสอนอยู่ที่นั่นมา่ก่อนฝ่ายกิตาแพทย์กิตบำบัด <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้คนไปคนมาเรื่องการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยมันเข้าไปแตะจุดพลังของชีวิตเพราะว่าการตื่นดูเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจว่าพุทธิยถาทำไมวางมือไว้ที่ขาบางครั้งเราเห็นพุทธิยาปางเลยนะคุมหน้าอกใช่ไหม วามหน้าทองวางหลอพื้นที่ขาสมาธิวางที่ขาจุดแตะจุดหนึ่งสมัยก่อนเรามานึกได้เวลาไปสนมกุกเราพอผู้เดชะท่านนั่งแล้วแขกมือท่านอยู่ข้ออยู่ตรงที่ขานี่ท่านนั่งไ ป, ไปเหมือนท่านเล่นน่ะเล่นไปแต่เรามารู้ทีหลังโอ้ท่านเจริญสติแต่ตละเวลาแต่ว่าท่านทํานิมิตไว้ส่วนใดสนหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้ท่านท่านก็ไม่อธิบายเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงบอกว่าวิธีการเคลื่อนไหวนี่มัน หลากหลายแล้วแต่ว่าเราได้เข้าใจที่เร า, าต้องทําความตามแบบให้ได้คอนเซปต์หลักให้ได้เข้าใจชัดๆเกิดว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราจะไปเข้าใจแบบหลากหลายทั่วไปคนมีประสบการณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มเบื้องต้นเพื่อให้ประสบการณ์จุดใดจุดหนึ่งให้ชัดเสียก่อนให้จับหลักให้ได้ชัดๆกันว่าความรู้สึกกายเป็นอย่างไรความรู้สึกใจเป็นอย่างไรความรู้สึกซื่อเนี่ย มันซื่ออย่างไรเนี่ยรู้สึกซื่อๆมันไม่ใช่ซื่อบื้อนะมันมีสองซื่อเนี่ยรู้สึกซื่อๆกับรู้สึกซื่อบื้อรู้สึกซื่อๆซื่อแบบตรงๆอ่ะท่านใช้คำว่าสัจตวรรู้เป็นคําสุดยอดที่พระพุทธเจ้าท่นใช้ไว้รู้สัจตวรรู้ได้ยินสัจจะได้ยินเห็นสัจจะเห็นเราบัญญัติตรงว่านั้นคือจุดจบของทุกทั้งหลายแต่ส่วนใหญ่เรารู้เราไม่ซื่อใช่ไหม รู้แลคิดนู้นคิดนีตีความหมายอย่างนู้นอย่างนี้ไปแต่รู้แบบซื่อๆรู้แบบไม่รู้บบรู้แบบซื่อบื้อคนละรู้แบบโมหะนัเป็นโมห oh ะนะรู้แบบซื่อบื้อนี่รู้แบบโมห oh ะแต่รู้แบบซื่อๆนี่รู้แบบโลกุตละปัญญาอ่าเป็นปัญญาชั้นยอดทีเดียวเพราะนั้นแต่ว่ากัวใจมันจะยอมรับความรู้สึกซื่อๆได้ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะใจเรามันกระ่อนตลอดไม่รู้กี่ภพ ก, กี่ชาติ ก, กี่การกีกัรนะแล้วมันกรล่อนแสไปใส่มาจะทําให้มันซื่อได้ยาก เพราะฉะนั้นในที่ท่านกล่าวไว้ในพุทธพจนิยามท่ารังเจปนังจิตังทุลคกขังทุนิวรยันอุชุมกะโรติเมทาวีอุชุกะโรเจเดชนันจิตที่มันกระล่อนปิ้นปอนมาห้ามยากรักษายากผู้มีปัญญาเท่านั้นจะทําจิตนี้ให้รู้ซื่อได้หรือให้ตรงได้เหมือนลูกชอ่อเหมือนช่างสอนแดดลูกศอนให้ตรงได้ฉะนั้นนั่นตราว่าอยังงั้นเลยนเราไม่ใช่มาพูดกันเลอย เพราะนั้นหลักฐานมีหลายแห่งรู้สัตว์ว่ารู้ได้ยินสัตว์ว่าได้ยินเห็นสัตว์ว่าเห็นเราบัญัาิตรงนั้นนั่นคือที่สุดแห่งถูกครานี้เราขออาจารย์หน่นอมีคาออถามคาถามไหมเม้นว่าไงงานนี้ไม่เห็นมาเล ย, ยมี <laughs> อะไรเพราะคุณเจ้าด้วยก็ได้นะก็มีอะไรที่ในวิธีการอย่างพระอาจารย์พระครูท่านว่า เร่อเป็นสหายธรรมนิหาได้ยากไม่ค่อยเจอใครไหนเรืองคุยได้เรื่องธรรมะไปถามอาจารย์เป็นไงสบายดีไหมสร้างเราเป็นไงเสร็จ ไ, ไม่เคยคุยกันเลยนะเจอกันคุยกันธรรมะในสมัยหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าท่านหาสหายธรรมได้แค่สองคนหลวงพ่อปัญ ญ, ญาอนันทาก็เดียวกับคุณจังหวัด จ, จุพรนะใช่ไหมสองท่านนึกว่าทั้งชีวิตของท่านหาสหายธรรมได้สองคนแค่นั้นนะหายากสหายธรรมมาเพิ่งเจอองค์เดียวเนี่ยเจออาจารย์ไปสันนี่แหละ สายธรรมหมายก็ว่าเจอที่ไหนไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดในเรื่องธรรมะกันนะแค่นั้นเพราะนั้นสายธรรมเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ใช่ไหมกาเรียนนิมิตเน่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจารย์ไม่ใช่เป็นครึ่งเดียวนะพูดไอ่านพ่อโนนอกสายธรรมหรือกาเรียนนิมิตเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมผมไม่ใช่นัอนเป็นทั้งหมดเลยนะแต่ข้องใจอย่างพูดไอ้ถึงเราเป็นการียนนิมิตแล้วคุณนั้นย่อมพ้น ผู้ใดมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธํามแล้วผู้นันจะพ้นความเกิดแก่เจ็บตายเอเราเขาว่ามั่งโดนนั้นมันถึงใครแต่เขามาบวงเลยว่าแต่ถาวคนรอยู่วงเล็บเข้ามานะนี่นเขาว่าเราอาศัยตัวเราเนี่ยเป็นกระแดนมิตคุณอื่นเป็นกระแดนมิตภายนอกครูบาอาจารย์เป็นกระเดนมิตภายนอกแต่ตัวเราเนี่ยเป็นกระเดนมิตของเราได้ตลอดเวลาตัวเราเองเนี่ยอาศัยเราเป็นกระเดนมิตใช้ตัวเรา แต่ตัวเราต้องเป็นสมาถิฐิแล้วนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยังก็ยังอาศัยไม่ได้ต้องฝึกตัวเราให้เป็นสมาถิฐิด้วยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสมาถิธิเป็นไงที่กล่าวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยมเปียกเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ไม่ง่วงเลยจ้ะวันนี้นะอากาศข้างนอกดีมากเราจะตื่นตัว ไมีไหมยมเป็นแช่ขุ่ไม่ค่อยไหวแล้วนี่บุญทรงน่าจะเรียนพราะสอนเด็กพราวิธีหลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนเด็กได้ดีอ๋อเอามีอาจารย์สอนเด็กไหมเนาะใช่บบนี่มลวันหลังมีไปศึกษาหลวงพ่อเทียนด้วยกันไหมครับไปไปเมืองไทยก็ไปที่วัดลอยเลยอ๋อยีที่มาเตยข่าเพราะเด็กมีวิธีเดียวกันนะมะคือจะช่วยเด็กได้ ปัจจุบันปัจจุบันที่โรงเรียนรุงอรุณ น, นะครับผมไปสอนที่นนสองสามปีแล้วพอตอลังมาผมก็พระเข้าไปสอนอยู่ที่นั่นเพราะว่าปรากฏ ว, ว่าตั้งแต่เด็กอนุบาลไปถึงนักศึกษาก็ใช้วิธีการเคลื่อนไหวเดิน ต, ต, ตอนแรกปีแรกก็ทําอยู่ที่โรงเรียนปรากฏ ว, ว่าคนข้างนอกเข้ามาแจ่มมันขยายตัวเจ้าของโรงเรียนอาจารย์วพัฒน์เลยมาสร้างที่ครูสัิส์ฐานที่ทุง่งครูกับคนนอกก็มาร่วมที่นั่นด้วยพอดีท่านระครูไปเยี่ยมท่านไปเมืงไทยไปแวะเยี่ยมผมตรงนั้น ท่านก็ไปให้ธรราะที่นั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ถ้าอยู่กรุงเทพเรที่ภูรู้สติสถานที่ทุ่คุกแต่บางมดกับคุณเทียนแต่นั้นเดีย๋ยวแคนั้นไปแล้ไปเข้าข้อที่นั่นจะได้ถ้าผมอยู่ประเทศไทยก็จะมีข้อทันั้นทุกเดือนอ่านว่างวันที่1 0บถึงยนะีินันปีนี้ทางพุทธโยพุติกาสมาคมมาแย่งเวลาเป็นอีกไม่รู้ว่าทางภูรู้สติควจะถูกแบ่งมาครึ่งหนึ่ง ยูพุทธเราไปเลยตอนจะมาที่นี่เขานิมนต์ไปดูสถานที่แล้วอยากจะให้ไปเริ่มที่นั่นด้วยลมเป็นเป็นไงบ้างวันนี้ก็ก้าวหน้านิดเดียวคือไม่ไม่ไเพิ่มมากเท่าไหร่ไม่ไหลมากอะไรรู้รู้ทันวิบากแบบทันวิบาูดรู้ทันรู้อยู่กรับว่ายกแต่มันที่กขาเผลอไหลไปเลยที่ผมจำไม่ได้ไหลไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ันี <c oughs> น่คาว่าวิบากเนี่ยนะที่ท่านครูว่าเมื่อวานน่ะเป็นวิบากให้เข้าใจให้ถูกว่าวิบากคือรู้ๆว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรมันใช่ไม่ใช่อะไรมันถูกอะไรมันน่าจะเป็นแต่ทําไมเราทําไม่ได้เพราะวิบากมันกั้นอยู่อวิบากมันกั้นอยู่บาทีทํอยางนี้ยอย่างสมมติว่าติดบุหรี่รู้ว่าโทษของบุหรี่มันมีเขาก็พูดแล้วก็ทํา สั ญ, ญลักษณ์อันตรายไว้หน้าสองเต็มที่แล้วแต่ไม่เคยยิงสูงนั่นก็เรียกว่าเป็นวิบากเจริญสติจเจริญปัญญายแบบไหนนี้ก็รู้หมด่นะที่อาจฟังอาจารย์สอนฟังเทป ฟ, ฟังยูทูบกันจนหูขู่หูฟัง แ, แต่เราก็ทำตามไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีวิบากกั้นอยู่นั่นวิบากนี่สําคัญนะคือผลความที่เราไปยึดว่ามันจะเป็นอย่างน้น อ, อย่างนี้แล้วตกลงที่จะทำตามนันไม่ได้นั่นก็เรียกเป็นวิบากก็น่ากลัวนะ วิบากมาจากไหนทีเราสั่งสมทุวันนะเมื่อใดเราขาดสติสัมปชัญญะวิบากเกิดขึ้นทุกขณะอย่าลืมนะเพราะนั่นการเจริญสติจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะการสตินี่เป็นตัวกั้นสติเตสังนิวรณ์เป็นตัวกั้นวิบาก ท, ทั้งปวงสติเตสังนิวรณ์สติเป็นเครื่องกั้นวิบาก ท, ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเจริญสติตัวเดียวมันกั้นวิบากได้ทุกอย่าง แม้แต่วิบากที่เกิดในปัจจุบันในอดีตมักั้นได้แต่จะกั้นได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับว่ า, วากั้นดีไหมบอกว่าน้ํานี่เขื่อนนี่กั้นได้น้ําได้ทุกหยดแต่ว่าถ้าหากว่าเขื่อนไม่แข็งแรงกันน้าก็พังเขื่อนได้เหมือนกันเพราะนั่นถ้าสีไม่แข็งแรงก็วิบากก็พังเข้าสู่จิตแล้วได้สบายวิบากออกมาในรูปของความคิดนี่แหละนพระฉะนั้นเราก็จัดการที่ความคิดไม่ใช่ไม่คิดนะแต่จัดการผู้จัดการความคิด ความคิดทางไหนมานะแล้วอีกเรื่องหนึ่งอยากเสริมใจพระครูนี่คืว่าโมหะมันมันคนเชียร์มวยอ่ะมันคนเชียร์มวยเพราะว่าในบนเวทีมันมันถ้ามวยจริง ม, มันก็มีแค่สองแค่หนึ่งใช่ไหมคือฝ่ายสู้แค่สองในใจของเราก็มีสองคือฝ่ายกุศลกับฝ่ายสวนสู้กันตลอดเวลาฝ่ายรู้ไม่รู้ฝ่ายวิชาเนีย่ยสู้สู้กันตลอดเวลาแต่ว่าตัวสู้กันคือตัวพอใจกับไม่พอใจมาสู้กัน แล้วแต่ฝ่ายหนจะชนะอตัวชอบตัวไม่ชอบบางครั้งไม่ชอบมันชนะบางครั้งมันชอบมันชนะแต่ตัวที่เชียร์ทั้งสองตัวให้ลบคนนี้คือตัวโมหะถ้าไม่มีโมหะสองตัวก็ไม่เกิดถ้าไม่มีคนพี่เลี้ยงไม่มีคนดูมวยนี่จะมีนักมวยคือมีโชกคนบนเวทีไหมไม่มีนะใครคืนไปชคบนเวทีโดยไม่มีคนดูมัเลยไม่ใช่นักมวยนะอันไหนอันนี้ก็มามือนในใจของเรามันไม่มีโมหะนะไม่มีสองตัวเนี่ย ไม่มีบุญไม่มีบาสมาลบ ก, กันอยู่ในใจแล้วไม่มีบิดีเชื่อามาลกกันอยู่ในใจมันลบ ก, กันอยู่ได้ก็เพราะพี่เลี้ยงนนะั่นแหะคือโมหะโมหะแล้วก็แปลงมาเป็นทิฏฐิโม่ไม่ทิฏฐิไม่จะเข้าโมหะนะเพราะนั้นมันเคยมีลบ ก, กันสองฝ่ายพี่เลี้ยงสองฝ่ายเลี้ยงฝ่ายหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิพี่เลี้ยงฝ่ายหนึ่งถงงือมิจฉาทิฏฐิและที่นี้มวยชกเป็นวิธีเนะี่ยเราจะบอกว่าฝ่ายชนะถูกฝ่ายแพ้ผิดไม่ได้เน่ะ ในโลกเขาอย่างนั้นนะผู้ชนะคือผู้ถูกต้องเสริมผู้แพ้คือผู้ผิดแต่ในทางทำไม่ใช่งั้นในทางเป็นแพ้เป็นพระชนะเฟินมารไปเลยนะผู้แพ้อาจจะถูกก็ได้ผู้แพ้จะผิดก็ได้ผู้ชนะอาจจะถูกก็ได้ผู้ชนะอาจจะผิดก็ได้ในการทำแต่ในทางโลกเนาะถือว่าผู้ใดชนะคู้นั้นเป็นฝ่ายถูกมุ่งกันถ้าหากว่าเราไปให้เสริมมิจฉาทิฐิในใจของเราให้มันชนะเรื่อยไปเนี่ย ธรรมะก็ห่างไปนะแล้วก็เป็นผู้แพ้เรื่อยๆถ้าแพ้ใจตัวเองพระพุทธเจ้าก็ปรับเอาบัตหนังบนะัปรับอบัตปาราชิกเลยนะปาราชิกแพ้ไงเพราะ น, นั้นแพ้ใจตัวเองมันทำได้ทุกอย่างทำชั่วได้ทุกอย่างแพ้ใจตัวเองนะเพราะนั้นการชนะใจตัวเองเื่อวัดีประเสริฐหัตตาเวชิดังสยโยนะนนบอกเอาไว้เพราะนั้นก็เรามาปฏิบัตินี้เพื่อที่จะให้ สติมันมีกำลังเพื่อที่ชนะชนะความคิดชนะกิเลส ข, ของตัวเองได้น่ะนะก็ข้ขอมทลนาสาธุขอมูลธนาเป็นขรอธรรมะการใบปั้ของพระอาจารย์ขาขอให้ความตั้งใจแลงเราได้ปฏิบัติมาวันนี้แล้วก็ผู้ที่เกิดความยึดสยศรัทธาที่จะฝึกฝนในแง่ของการดูเนื้อเรื่อตัวให้สมบูรณ์จงมีความ สะอาดความสว่างความสงบกห้ป็นทุกคนทุกท่านเถอดสุสา่สาอนุโมาลับลับกลับกันอีกครั้